พวกอยู่วัาจะส่งกันบ้านเปล่าเมื่อวานส่งแล้วส่งทุกวันเลยเหรอเอาว่ามานมัสการค่ะหลวงพ่อ อ, อยากได้คำแนะนำเพิ่มเพื่อ น, นำไปปฏิบัติต่ตอค่ะแน่มาตั้งแต่เช้าแล้วนะเอแบบเฉพาะคนได้ไหมคะ เ, เฉพาะคนได้เหรอ <c oughs> <c oughs> ดูร่างกายไว้นะเห็นร่างกายอยู่เรื่อย เรารักร่างกายเยอะดูไปร่างกายเนี้ยมีภาระมากแต่้งแต่เช้านะจนถึงหลับไปก็ยัอเป็นภาระนะดูไปเรื่อยๆมีแต่ทุกข์นะ <c oughs> แล้วถ้าเราดูกายแล้วต่อไปเราจะเห็นจิตชัดเองอะ่ะต่อไปอคุณค่ะ นมัสการหลวงพ่อค่ะคือเมื่อวานที่หนูสมกันบ้านว่าเดินจงกรมมาค่ะเราก็เห็นว่ามันจมในความคิดนะคะหลวงพ่อให้ไปเดินต่อทีนี้หนูก็มันก็เดินแล้วมันก็ยังจมอยู่แต่ว่ามันค่อยๆเร็วขึ้นนะคะ <c oughs> ก็เดินไปทั้งวันเลยอ่ะคะ่ะจนแบบ จนจนเย็นจนเจ็ดแปดชั่วโมงอะคะ่ะจนขากระเพกไม่ไหวแล้วแบบมันก็ยังเป็นอยู่อะคะ่ะจนสุดท้ายมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันเหมือนเราบังคับมันไม่ได้หนูก็เลยไป น, นั่งสมาธิต่ออะคะ่ะทีนี้พอนั่งสมาธิก็มันมันเหมือนด้วยความที่เดินตรงกลมมานานนะคะคือลมหายใจมันก็คือละเอียดมากจนเกือบจะไม่มีแล้วแต่ว่าความคิดมันก็ยังคิดนะคะจิตมีหน้าที่คิดห้ามไม่ได้นะ มีหน้าที่ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยววิ่งไปคิดเรื่องโน้นเดี๋ยววิ่งไปคิดเรื่องนี้นะรู้ทันไปเรื่อยๆฝึกอย่างนั้นแหละดีเดินได้ก็เดินไปพ่อคะคือหนูมีคําถามว่าเวลาบางทีเหมือนหนูปฏิบัติอะค่ะแล้วมันเหมือนมันเริ่มที่จะเดินปัญญาค่ะแต่หนูรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งภายนอกเนี่ย เขามาทำให้มันเหมือนสมาธิเสียแล้วก็มันเหมือนคนตั้งไข่เราล้มตั้งไข่เราล้มอยู่อย่างนี้ค่ะมันหนูก็เริ่มทำใหม่แล้วมันก็เป็นอีกเนะะี่ยค่ะจนมันเหนื่อย่ะคะมันอย่างนี้หนูต้องอดทนไปเรื่อยๆป่ะคะเรามองตัวโลภของเราไม่เห็นใจมันโลภมันอยากได้นะพออยากได้ก็พยายามทำนะมีกิเลสคืออยากได้มีกรรมคือพยายาม ทำอย่างนน้อนอย่างนี้ผลก็เป็นความทุกขนะ์ถ้าเรารู้ทันใจโลภอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีรู้เข้าไปเลยนะแล้วต่อไปนี้อะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันไปเรื่อยๆนะแล้วการเดินจงกรมอะไรนะั้นะทำให้จิตเรามีพลังทำไปเถอะไม่เสียหรอกแล้วสังเกตกิเลส ที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังการกระทําทั้งหลายคอยสังเกตไปเไรื่อยๆกะทั่งปฏิบัติก็มีกิเลสดันให้ปฏิบัติรู้สึกไหมมันไม่ได้ดีอย่างใจเนี่ยเพราะใจมันอยาก อ, อ้าต่อไปดีนะขยันภาวนาชอบมอเพ่ขี้เกียจเนี่ยโอ้เบื่อเหมือนสอนควายขึ้นต้นไม้ สอนยากเลบอกให้กวาายึ้นต้นไม้โห อ, อยากใครจำเป็นขอจำเป็นนะอ่ะกลับหลวงพ่อค่ ะ, ะ เ, มออเมื่อสองปีเมื่อสองปีก่อนหลวงพ่อให้การบ้านให้ไปดูความทุกข์ อาทางกายไล่จากหัวลงเท้าทางหัวค่ะก็ไปดูมาแล้วก็ก็เห็นมันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นภาระมากอืมแล้วสามเดือนที่ผ่านมามันรู้สึกใจมันเริ่มเข้าใจอืมว่าเออมันมันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นธรรมดาใช่ธรรมดาค่ะภาวนาได้ดีนะค่ะฉิตเดินมาถูกแล้วค่ะแล้วความตั้งมั่นมั น, มนเปลี่ยนไปอะคะ่ะหลวงพ่อ อย่างเนี้ถึงใช่ได้แต่ก่อนไม่ใช่หรอกเมื่อก่อนมันมีข้างนอกข้างในมีส่งออกอืมแล้วก็พอตอนนี้มันเหมือนเหมือนกับว่าความตั้งมั่นมันมันคล้ายๆตัวเดิมมันแต่ว่ามันมันเป็นลักษณะจางกับเข้มดูไปนะไม่คงที่หรอกค่ะแล้วช่วงหลังนี้มันมันเห็นจิตมันทางานแทบจะทั้งวันเลยค่ะนั่นแหละดีภาวนามาได้ดีแล้วนะ แล้วก็ภาวนาเนี่ยมันเดินปัญญาหมุนติ้วๆอยู่ได้ทั้งวัน <c oughs> ถึงเวลาต้องพักนะ ม, นมันเข้าสมาธิก็ไม่ได้ค่ะเด้งออกพอเข้าไปปุ๊บเด้งออกเลยไม่เป็นไรจิตมันชินกับการเดินปัญญามันไม่ยอมทําความสงบเราต้องฝืนใจมัน <c oughs> ไม่ยอมเดินปัญญาถึงเวลาที่จะต้องพักเนี่ยพุโทโธไปหายใจไปพุโทโธถี่ๆก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่ไม่บังคับใจนะไม่เช้นใจนะ พุทโธพุทโธพุทโธไปเลยไม่ให้มีช่องโหว่มันเห็นตัวอาการรู้เมื่อวันนั้นนอนกําลังจะนอนค่ะมันเห็นมันรู้อะไรตัวหนึ่งแล้วมันก็มันจิ้มไปเห็นขั้นสเต็มหนึ่งคือไปเห็นตัวรู้ว่ามันเป็นอาการรู้ว่าเป็นทุกข์ค่ะใช่แล้วมันก็เห็นตัวรู้เนี่ยมันฉาบด้วยความยึดมั่นถึงมั่นบางๆฮะมันฉาบยกมาอย่างนี้ตัวรู้ว่าค่ะมันฉาบด้วยความยึดมั่นถึงมั่นบางๆเออดีแล้วก็ มันเห็นรู้เป็นทุกข์เสร็จแล้วมันก็เห็นในภาะวะการตั้งมั่นเนี่ยเป็นภาระอืมอาการของการตั้งมั่นของจิตนะคะเป็นภาร ะ, ะเห็นเห็นปัญหาเกิดแล้วมันก็สั้นติดกระรู้ถ้าหนูหนูดูแล้วถ้าเกิดว่ า, ถ, า, วาถ้าดูแล้วจิตมันเจอภาษามันทํางานถ้าเรารู้ทันมันก็ดับถ้าไม่ทันมันกลายเป็นกลายเป็นปัญหาอืม ปัญหาเสร็จแล้วถ้าดูไม่ทานอีกมันก็กลายเป็นทุกข์อันนี้ทุกข์ดูไม่ทานนี้ต้องใช้ความอดทนแล้วทุกต้องยอมรับน ะ, <ฮ>ะทุกไม่ใช่เพื่อละทุกเป็นวิบากแล้วเราทำกรรมเราต้องรับทุกข์แล้วละเราก็ดูใจเราเป็นกลางไหมน<ฮ>ะถ้ามีความทุกข์แล้วใจเป็นกลางก็ใช้ได้ <ฮะ S 2> ในโลกนี้ไม่มีอะไรเจริญปัญญาได้ดีนะแต่ข้อเสียคือสมาธิไม่พอ ใจมันฟุ้งพ่อคะเดินจงกรมช่วงหลังนี้รู้สึกว่าพอเดินแล้วมันจะมันจะเหมือนกับมันซึมจากที่เมื่อก่อนเดินแล้วตั้งมั่นตอนหลังนี้เดินแล้วมันมันมันซึมมันมันเบื่อมันไม่อยากเจอมันง่วงมันง่วงก็เดินอภาวนามาถึงตรงนี้แล้วถ้ามันเจอซึมมันจะง่วงจะเป็นอะไรก็ช่างมันปฏิบัติไม่เลิกแต่ว่าต้องเพิ่มการทําความสงบบ้างไมง้นจิตจะไม่มีแรง มันเดินปัญญาที่ยิบไปนะมันจะหมดแรงขอการบ้านอ่ะหลวงพ่อไปทำไปทาความสงบเพิ่ม<อ>ขึ้นมาฟุ้งซ่านเดินปัญญามากฟุ้งซ่านหลวงปูม่ม่นบอกน ะ, ะทำความสงบมากเนิ่นช้าชิดพิจารณาค้นคว้ามากฟุ้งซ่านหลวงพ่อคะถ้าเข้าไปแล้วเด้งมันเข้าไปเด้งก็เด้งเด้งแล้วก็นั่งนั่งใหม่ไม่ไม่ใช่ฝืนนะ เ, เด้งก็ช่างมันพุโทโธไปหายใจไป <Wow. S 2> จะเด้งก็ช่างมัน mm hmm. ส่วนเดินจงกรมเดินหลับก็ช่างมันช mm hmm. นเค้างฝาไปก็ไม่เป็นไรภาวนาดีหนูรู้ไหมส่งกันบ้านนี้มีคนใจฝ่อไปสามสิบเอร์เซน พ่อคะเออหนูเคยมาส่งงานหลวงพ่อครั้งหนึ่งคะ่ะว่าตอนนั้นหนูเข้าใจธรรมะหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่หนูพูดช้าชานิด น, นึงพ่อแก่เราวฟังไม่ทันตื่นเต้นมากเลยคะ่ะมือนตอนนั้นเหมือนหนูมาส่งงานมาส่งกันบ้านหลวงพ่ออย่างนะะี้ค่ะหนูบอกว่าหนูเข้าใจธรรมะหลวงพ่อบอกว่ามันยังไม่ใช่เงี่ยหนูก็กลับไปแล้วก็ที่ใจมันคิดว่ามันเข้าใจธรรมะอย่างนี้มันก็เลยแบบอะไรอ่ะอารมณ์เต็นเต็ม เหมือนมันก็ไม่เหมือนมันไม่สนใจว่ามันเข้าใจหรือไม่มันก็ปฏิบัติอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนมันจะเข้าใจเหมือนมันมันก็คิดว่ามันเข้าใจทําไมแล้วค่ะหลวงพ่อเหมือนมันเข้าใจคําว่าอารมณ์กับจิตอย่างนี้ค่ะใช่เข้าใจแล้วล่ะแล้วขันมันก็แยกได้ดีแล้วล่ะต่อไปเราก็ดูนะอารมณ์ก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตก็มีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบนะ สังเจตไปไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดียวอารมณ์ก็ไม่คงที่จิตก็ไม่คงที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆดูไปจะได้ปัญญามากกว่านี้หลวงพ่อมันมันมั น, ม, นมันเป็นมรรคผลยังค่ะยังยังยังใช่ไหมคะยังยังอย่าเพิ่งรีบเออหลวงพ่อเหมือนตอนนั้น เออมันไม่ตอนนั้นที่มันเกิดสภาวะอย่างหนึ่งหนูไม่ได้บอกแล้วก็หนูก็กลับไปแล้วก็จิตมันก็จะฟุ้งแต่เรื่องนั้นหนูขอบอกได้นี้ค่ะอืมมันตอนมันคิดว่ามันเหมือนเหมือนตอนนั้นมันมันคิดว่าเป็นอันเนี้ยอะไรเหมือนอ้าวเป็นตจิตมันอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวอารมอยู่ข้างล่างนี่ค่ะแล้วก็จิตมันมาจับตัวอารมณ์ข้างล่างว่ามันมันมันมันมาจับตัวของสามขนาดนี้มันก็เห็นทุกข์อย่างนี้ค่ะมันบิบขั้นจิตขึ้นมาอย่างนี้แล้วจิตมันก็แบบ ความรู้สึกที่มันชอบยืดยืดอหยนมันก็มันก็ยืดเอามันก็มันแบบเหมือนมันยิดอะไรมันก็มันก็ผุดผุดขึ้นมาอย่างนี้ก็มันก็เห็นบอกว่ามันทุกข์อะไรอย่างนี้ค่ะอืมดีได้แหละความจริงมีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยในโลกเนี้ยแล้วครตอนนี้ถ้าถ้าจิตมันไปจับเอาตัวอารมณ์หรือว่ามันไปยึดตัวอารมณ์นี้มันจะทุกข์ค่ะให้รู้ว่าจิตไปยึดอารมณ์อ๋อให้รู้ทันจิตไป จิตยึดอารมณ์รู้จิตวางอารมณ์ก็รู้เราจะรู้ไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเราจะรู้ความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเรามันจะไปยึดอารมณ์หรือมันจะวางอารมณ์เราก็สั่งมันไม่ได้ดูไปเรื่อยๆจนเห็นว่าเราสั่งอะไรไม่ได้สักอย่างไปดูไปอยู่ที่ไหนนู่นหรือท้ายห้องเห็นไหมใจโลภ จะอยากได้ไมล์นะหลนะนกกุนค่ะนันสการหลวงพ่อคือมีเรื่องจะถามนะคะเกี่ยวกับการถือศีลในชีวิตประจำวันค่ะการอะไรนะถือศีลค่ะหลวงพ่อถือศีลค่ะเออว่าไปตื่นเต้นใช่ไหทำใจสู้ก่อนอืม คือหนูรับราชการนะคะก็ต้องทำงานโครงการนะคะแล้วก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาทีนี้บางเรื่องก็ต้องแล้วแต่นายสั่งออค่ะระวังใจไว้ว่าทำที่นายสั่งหนูก็ยังพ่องใช่ไหมคะสิ่งหนูอยู่ที่วางจิตถ้าวางจิตว่าเราจะทำทุจริตเราก็ผิดด้วย นะถ้าวางจิตว่าเขาสั่งเราทำตามที่เจ้านายสั่งนะก็เป็นความผิดที่เบาลงก็ยังผิดนะค ะ, ะก็ยังผิดนะคะผิดสิถูกก็ถูกแหละผิดก็ผิดแหละ อ, อยู่ยากอยู่ยากในโลกนี้เป็นครวาสนะจะถือศีลให้งดงามสะอาดหมดจด เหมือนหอยสังที่ขัดไว้ดีแล้วเคยเห็นไหมหอยสังที่เขาขัดไว้ตัวสวยๆอ่ะขาวๆบอกเป็นฆราวาดจะถือศีลให้สะอาดหมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วเนะี่ยทำยากศีลเรากระดำกระด่างง่ายแต่อย่าท้อใจเราไม่ทำชั่วเราไม่มีเจตนาเสทุจริตอย่างเงี้ยตั้งใจไว้ หลวงพ่อก็เคยเจอหลวงพ่อก็รับราชการนะแต่เจ้าน้าไม่ได้คอรับชั่นหรอกเจ้าหน้า ruption, จะรีบทํางานหัวหน้ากองนั่งโต๊ะติดกันเนี่ยไปก็สั่งหลวงพ่อไว้ถ้ามีใครโทรศัพท์มาจะขอคุยแกให้บอกว่าแกไม่อยู่นะแกนั่งติดกับเราเนี่ยโหเราศีลเราก็เสียสิคิดอย่างนี้นะ พอโทรศัพท์มาอธิษฐานในใจอย่ามีใครโทรหาแกเลยนะวันนี้นะพออธิษฐานเสร็จโทรศัพท์ก็มานะเราเนี่ยไม่มีบุญเลยนะอธิษฐานไม่ได้ผลขอพูดกับหัวหน้ า, นะวาเวรของเราหลวงพ่อก็พูดเบาๆหัวหน้าสั่งว่าไม่อยู่ครับ วางใจนะวางใจเราไม่ได้เจตนาทุจริตอะแต่เราถูกสั่งถูกบังคับให้ทำอย่างนั้นแหละนะแต่ถ้าบังคับให้คอร์รัปชันต้องระวังนะตัวเล็กจะติดคุกตัวใหญ่รอดอย่างรัฐมนตรีสั่งเนี้ยนะรัฐมนตรีรวยครการประจำติดคุก งนต้องต้องคล่องตัวพอสมควรนะ <c oughs> ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอะไรเงี้ยต้องแม่นเปรี้ยเลยงั้นเอาตัวรอดยากมาส ก, การค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนวะ อ, อยู่นี่ค่ะอ้าวว่าไปคือหนูว่าส่งกันบ้านค่ะปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่า ต่อไปนิย่าให้ขี้เกียจพูดดังนี้เถอะหนูมาส่งการานค่ะปีที่แล้ว่หลวงพ่อบอกหนูว่าเออไม่ให้ขี้เกียจนะคะไม่ให้อะไรนะไม่ให้ขี้เกียจต่อไปนิยห้ามขี้เกียจตอบเลยแล้วขี้เกียจป่าขี้เกียจค่ะขี้เกียจแล้วปฏิบัติป่าปฏิบัติค่ะใช้ได้ขี้เกียจมันห้ามไม่ได้ค่ะแต่ว่าถึงขี้เกียจก็ปฏิบัติถึงเบื่อก็ปฏิบัติถึงท้อแท้ใจก็ปฏิบัติอย่างนี้ถึงจเรียกว่านักปฏิบัติตัวจริง ก็คือหนูก็เห็นขันขันมันทํางานของขันนั่นแหละดีแล้วก็มันก็เป็นไตรักอืมแต่ก่อนเห็นเกิดดับแต่เดี๋ยวนี้เห็นแต่ดับอืมแล้วก็เห็นกิเลสค่ะดีกิเลสเยอะแล้วก็เวลามีกระทบมันก็ดับอืมแล้วกิเลสมันบางทีมันก็ยอมใจเวลาเราอินแต่มันก็ไม่ได้อินมากค่ะหลวงพ่อดีมันแค่แบบดับหนูภาวนาได้ดีแล้วนะ ตัวเนี้เขาเรียกว่าได้พังขยานเขาเรียกอะไรเขาหลวงพ่ อ, พ, อพังขยานพอสําเภาไม่หัอากาศงองูคอควายพังขยานแปลว่าอะไรคะแปลว่ามีปัญญาเห็นความดับทีแรกเราเห็นทีแรกเราเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับนะยังใช้ไม่ได้ต่อมาเห็นว่าอันไหนเกิดอันนั้นก็ดับนะ ต่อไปพอชํานาญขึ้นเนี่มันเห็นแต่ดับดับดับไปเรื่อยเลยะอืเห็นไหมอื้อเลยเห็นไหมเพราะว่าหนูอะก็เห็นแบบเออแปลกว่ะแปลกค่ะ <laughs> ไม่แปลกหรอกว่ะ <laughs> <laughs> ช่วงเนี้ยแปลกมากอืคือมันมีความสุขแล้วก็มีความสุขไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่กิเลสมีค่ะแต่มันไม่ถึงใจเออแล้วก็โลกอ่ะมันห่างมากแล้วก็ งงว่าทําไมทุกคนน่ะทําไมมันหลงโลกทําไมทุกคนถึงหลงโลกเออเหมือนที่เราหลงไต่ก่อนเนี่ยต้องช่วยพูดเหมือนเหมือนที่เราเคยหลงแล้วเราไม่อินแล้วทําไมต้องต้องทุกกันขนาดนี้ด้วยไรเลยงะอืิงจริงๆมันไม่ได้ทุกกันขนาดเนี้ยหนูก็งงว่าทําไมต้องไปอินขนาดนั้นหลวงพ่อก็งงเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ทไมไม่บรรลุพระอรหันต์วะหนูก็เอ้ย ทำไมต้องอินกันด้วยอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เพราะจตอนนี้นไม่เข้าใจค่ะเพราะเราก็เคยเป็นมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยหนูคิดดูนะกว่าหนูจะมาถึงตรงเนี้ยยากลำบากแค่ไหนโคตรตลายยากเลยค่ะหลวงพ่อคนอื่นมันก็ยากเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกคนมันก็หลงโลกอะไรนะการจะออกจากโลกไม่ใช่เรื่องง่ายของเรายังไม่ถึงโล ก, กุตรละเลยใช่ไหมคแค่มันห่างโลกออกมายังไม่เหนือโลกค่ะ เนี่ยค่อยๆดูไปพอเห็นความจริงของโลกแล้วไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระแก่นสารเลยจิตที่หลุดออกจากโลกอืมแล้วหนูต้องทําอะไรต่อคะเนี่ยทําสติสมาธิปัญญาไปหื้อบ่อยไว้คนนี้ไม่หนูเ <c oughs> พิ่งเข้าใจคะ่ะก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อคะ่ะขอบคุณพระพุทธเจ้าคะ่ะเออต้องอย่างนั้นแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนคะ่ะอืมดี อย่าลืมอขอบคุณพ่อแม่เราด้วยนะพ่อแม่หนูด้วยเมื่อวานไปขอขอมามาแล้วอืมดีเพราะเราก็โหดเหมือนกันใช่ค่ะกิเลสเยอะร้ายเหมือนกันคะค่ะแล้วก็ก็มันก็รู้รู้ว่าตัวเองอ่ะยังมีกิเลสอยู่อะไรเงี้ยทำให้คนอื่นเดืร้อนเยอะค่ะใช่ดีแล้วล่ะต่อไปจะได้ดีขึ้นค่ะทำคนอื่นเดือดร้อนก็บาปนะค่ะก็พยายามแบบว่ารักษากายวาจาใจให้ดีขึ้นเลยอย่างค่ะมีสติแว้ มีสติรักษาจิตอันเดียวแหล ะ, ะกลายว่าจาใจก็เรียบร้อยหมดเลยก็ขอถว า, ายกุศลหลวงพ่อได้นะคะโมทนาน ะ, ค, ะคนสุดท้ายนั่งเก้าอี้อยู่วันนี้ส่งกันบ้านกันมันมากภาวนากันได้ดีๆนะขยันดูสิปลื้มจนลืมตัวเลย ดีใจได้ฟังธรรมะดีๆกลับนมั ส, ส ก, การหลวงพ่อค่ะขอเห็นหน้าหน่อยอยู่ที่ไหนเอ่ยอ ย, ยืนให้หลวงพ่อดูหน้านิดนึงเอานั่งได้ว่าไปเออวันนี้มาให้หลวงพ่อตรวจกันบ้าง น, นะคะปีที่แล้ว มาวัดแล้วหลวงพ่อชี้ให้เห็นสิ่งที่ผิดพลาดสองจุดนะคะอืครั้งแรกหลวงพ่อชี้ว่าจิตของหนูอ่ะแข็งทื่อใช้ไม่ได้อืครั้งที่สองนั่งขยับมือแล้วหลวงพ่อผ่านมาเห็นหลวงพ่อก็บอกว่าที่ขยับขยับอยู่ไม่ได้รู้สึกตัวจริงหรอกอืมก็ไปสังเกตนะคะ่ะก็จะเห็นว่าเคยเห็นเนะว่าเหมือมันเหมือนเราคิดว่ารู้สึกแต่ไม่ใช่มันออกไปโล่โงๆว่างๆอยู่ข้างนใช่นั่นใช้ไม่ได้เลยแล้วทุกวันนี้ที่วันนก็จะส่วนที่เห็นบ่อยก็คือ เห็นมารู้สึกตัวได้นิดนึงแล้วมันก็ออกไปโล่งๆว่างๆเสร็จนก็ไปคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูไปโล่งว่างก็ชั่วคราวค่ะจิตหลงไปคิดก็ชั่วคราวนะจิตมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอย่าไปพอใจที่จิตโล่งว่างค่ะก็รู้ว่าผิดก็ก็จะคอยดูอะค่ะว่าอแล้วอย่าไปเกลียดมันด้วยค่ะแล้วก็มีอันนึงหลงพ่อชอบบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าหนูว่าฟุ้งซ่านมากให้ไปบริกรรมแต่มันจิตมันไม่ชอบคําบริกรรมเลยเหอแล้วมันชอบอะไรอะ หนูว่ามันชอบดูจิตอะค่ะมันก็เล่นยากนะฟุ้งซ่านมากดูจิตอะคือมันคือแค่มันเลื่อนออกไปที่ว่างๆมันก็ฟุ้งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอบริกรรมแล้วมันมันแน่น อ, อกแล้วตึงหัวด้วยอะค่ะบริกรรมไม่ใช่เพื่อบังคับจิตนะบริกรรมไม่ทำให้ใข่แน่นหรอกความโลภของเราที่อยากจะดีอะมันทำให้แน่นนะกิเลสต่างาที่ทาให้แน่น ทำบริกรรมไม่ทำให้แน่นอย่างถ้าเราบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตพุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตหนีวิคิดรู้ทันจิตสงบรู้ทันจิตฟุ้งซ่าน ร, รู้ทันอย่างนี้จะไม่แน่นแต่ถ้าพุทโธพุทโธพุทโธจิตจะต้องสงบเนี่ยแน่นแน่นอนเพราะเราทำด้วยความโลภเรานเราพุทโธไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่าง แต่แทนที่จะปล่อยให้จิตคิดร้อยเรื่องพันเรื่องให้มันมาคิดเรื่องเดียวเรื่องพุโทโธพอมันลืมพุโทโธเมื่อไหร่เราก็จะสังเกตได้ง่ายว่าหลงไปแล้วต้องการแค่นี้แหละแล้วจิตมันจะค่อยสงบเองเข้าใจอะค่ะแต่ว่าเข้าใจก็ต้องไปทำเอานะยังบังคับอยู่มันเคยชินที่จะบังคับนะถึงตอนนี้มันก็ยังมีการบังคับอะ ที่คุยกับหลวงพ่อตลอดเวลาเนี่ยบังคับอยู่ดูออกไหมมันมันกลัวมันตื่นเต้นนั่นแหละเลยกดมันไว้ใช่ลองปลาอยสิตื่นเต้นก็ตื่นเต้นถ้าเราอย่างเด็กแต่กี้มีว่ามีเว้ยอะไรออกมาฮนะ <laughs> <laughs> มันไม่ได้บังคับนะตัวจริงก็โผล่ออกมาหลวงพ่อเลยรู้วนแสบกลับ <laughs> <laughs> ขอบพระคุณค่ะเอากลับบ้าง